เราก็มารล่นตัวตอนวัดเช้าเช้านี้เราสวด บ, บทที่สำคัญการเจริญสติปัฐานมันเป็นทางเอกเอกกหนึ่งเนเลนทางเดียวของชีวิตที่มันจะนำไปสู่การรู้เราก็รู้แจ้งโลกนะ โลกรกวิตหมายถึงโลของความคิดนที่มันดีค่าตีความที่มันให้ค่าเป็นความพอใจไม่พอใจโลที่มันคือความคิดถ้าไม่รู้เท่ารู้ตันมันก็ฟูฟฟ แ, ฟแฟบแล้วก็ ท้ายสุดก็กลายเป็นความมืดมนของชีวิตขับอกขับใจวัตถุน1 2 3มบุคคล1 2 3สเราก็จะอยู่สิ่งนั้นได้ยากรักมากมันก็เบื่อมากํำซ้ำๆมันก็เบื่อเห็นซ้ำๆมันก็เบื่อได้ยินได้ดูได้ลิ้มรส ด้สัมผัสตายสุดกลายเป็นความเบื่อเราก็จะจับสนแล้วก็เหมือนกับงงใช้ชีวิตอย่างงงงไม่รู้จะไปทิศทางไหนดีหมุนมากลากไปตรงนี้แหละที่สังคมก็ก็กชี้นำชี้นำสร้างกระแสแล้วเราก็ตื่น บางทีเราก็ไปเพราะว่าเพื่อนรอบตัวหรือว่าคนรอบข้างมีบทสนทนาแล้เราก็กลายเป็นคนโง่งคนหนึ่งิืแล้วก็จะทำในสิ่งที่สังคมก็ทำกันหรือ ว, ว่าบางทีเราก็ทำในสิ่งที่เราขาดเรียกว่าหาเติมเต็มบาติหสองสามหรือว่าบุคคลหนึ่งสองสาม จนกลายเป็นเรื่องของการกินเกลียดทำหน้านิยมวัตุนิยมบริบทนิยมซึ่งเป็นไปโดยส่วนตัวอันนั้นก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวอันนี้ก็ยิงทำให้เราได้สับสนเกิดความสับสนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีภาระมีภาระวัตถุสิ่งของที่มันต้องดูแลรักษาทุกคนต้องการอิสรภาพ การที่จะอยู่อย่างไม่ต้องมีความรับผิดชอบไม่ไว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าหน้าที่ต่อบุคคลรอบข้างไม่เป็นเรื่องที่ไม่อยากมีความรับผิดชอบมันมีความรักมีความหลงมีความกังวลมีความห่วงใยเราก็ไม่รู้เท่ารู้ทันอันนี้แหละ <c oughs> เราก็จึงมาศึกษาแล้วก็หาหนทางให้กับชีวิตของเราซึ่งจริงๆแล้วองค์สมเด็จจำนายขเจ้าก็ได้ค้นหาไว้หลวงปู่เทียนหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยในยเพาะภาคอีสานมีความทุกข์มีปัญหามีความร้อนแค้นลำบากกันดาน ไทยสารมีพระชื่อดังแล้วก็มันก็คนให้ความเคารพมากมายอันนี้มันก็บอกถึงว่ามีความทุกข์มันก็มีผู้ที่แสวงหาทางออกคนที่ตั้งอกตั้งใจเมื่อทามีความสาเร็จลูกจิลก์ลูกหัวพยายาม ชี้นำสร้างกระแสแล้วก็สนับสนุนโฆษณาชวนเชื่ออาจจะมีหนังสือซึ่งตัวท่านเองท่านก็ไม่ได้ต้องการทำหนังสือเรารู้ว่ายุคนี้มีแผ่นซีดีมีสื่อวิธิทัศน์ต่างๆดีวีดีซึ่งจริงๆแล้วท่านก็เฉยๆะนะท่านก็ไมต้องการที่จะ เผแพ่แลักษณะที่เป็นเทคโนโลยีท่านก็ต้องการที่จะอยู่ทําให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังใจชีวิตอิสระภาพของท่านไปแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็เห็นว่ามันมีประโยชน์อย่างี้ก็พยายามประโคมโหมโฆษณาทางสื่อต่างๆซึ่งยุคนี้เราก็จะได้เห็นกันมากมายแหลือเกิน ถ้าอยฟังกันแล้วเนี่ยมันง่ายนิดเดียวในอินเทรอร์เน็ตดาวน์โหลดมาได้พระทุกรูปรมันก็ทั้งผู้ที่รองรับมรณภาพไปแล้วมันก็สามารถหามาฟังได้แล้วก็ทั้งในพระไตวิดก็มีคนที่เขาอ่านใส่ไว้สดๆเลยตรงไปตรงมาเลยที่ไม่ต้องไปขยายความมันเป็นยังไงก็อ่านอย่างนั้นเลยในหนังสือเขเขียนยังไงก็อ่านอย่างนั้นไปเลย เรียกว่าตรงต่อคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกเราฟังแล้วว่ามันตรงไปตรงมาตามหนังสือไม่มีการขยายความเพราะก็อ้างกันว่าองค์สมนเด็จสมานเจ้านะล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะสืบทอด ต, ต่อกันไปมันก็ขยายความจนบางทีคนงงนะ หรือบางสำนักก็จะเชื่อว่าองค์ ส, เสมเด็จสัมมาเจ้าเนี่ยดับขันปณิธานไปนานแล้วเพราะนั้นการสืบทอดมาเนเราไม่แน่ใจว่าใครคือคนเขียนพัตติ บ, บิดกเอาไว้เราไม่มีความแน่ใจว่าหนังสือที่มีอยู่ทุกวันนี้คนที่เขียนเ น, นี่ยบรรลุธรรมจริงหรือไม่ก็กล่าวกันว่าอราหันบัญญัติหรือว่าปุถุชนบัญญัติอย่างง้นะ และจำกันได้ยังไงอย่างตั้งตื่ทุกวันนี้สอง0ปีนะซึ่งมันไม่เพียนมังหรือเพราะฉะนั้นตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่นะมีชีวิตอยู่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้นะด้พระมาวิทีวัดป่าสุกโตนะที่นี่ช่วงนี้มีการเก็บลมเข้มกันสี่สิวัน การเก็บอารมณ์เข้มแบบต้องใช้ฝีไม้ลายมือของเราเองอาจจะแตกต่างคอร์ดต่างๆหรือว่าการเก็บอารมณ์เข้มที่ผ่านมาที่ลายวัดนําไปปฏิบัติและท้ายสุดจะตกมาอยู่ที่วัดป่าสุขโตรเรางพ่อขียนท่านดํำริไวช้ชัดว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของใครของเราที่เราจะต้องปฏิบัติ โดยใช้หลักของมหาติฏฐานสุดหลวงปู่เทียนท่านก็เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าองค์สมเด็จสัมมาเจ้าท่านได้กล่าวไว้การฝึกสติก็โดยการกูนะร้เหยียดเกินวัยวะวัฒนต้องตหัวจอดเท้าอ่นะานซ้ายแลกว่าการพูดนะการนิ่งการรับประทานอาหารการขับการถ่ายการนอนการหลับการตื่น จะทำอะไรก็ตามตั้งแต่ตื่จนจากหลับเนี่ยการเคลื่อนการไหวของกาย น, ใ น, ในนะั่นแหละมันคือเป้าหมายเครื่องรูร้ของสติหลวงปู่เทียนก็บอกว่าให้ทําอย่างนี้พลิกมือตั้งรู้สึกตัวยกมือไปรู้สึกตัวเอาเข้ามาแตะไว้ที่หน้าท้องรู้สึกตัวทําอย่างนี้จนครบสิจังหวะตามรูปแบบวิธีปฏิบัติแนวเคลื่อนไหว เป็นการฝึกสติให้รู้รู้ท่องไปในกายของเราทําอย่างเงี้มันจะเกิดสมาธิมันจะเกิดปัญญาขึ้นมามืันเกิดปัญญาขึ้นมาเราก็จะรู้จักอะไรคือกายอะไรคือรูปประธรรมอะไรคือใจอะไรคือนามธรรมอะไรคือตัวสติอะไรคือตัวเศษสมาธิปัญญาน มันจะรู้ของมันเองแต่ว่าใครฝึกไปเรื่อยๆขยันเคลื่อนไหวก็ไวอย่าอยู่นิ่งๆทุกครั้งที่เคลื่อนไหวใส่ใจลงไปมีความรู้สึกตัวลงไปรู้ให้ถูกเป็นปัจจุบันท่านก็บอกเาไว้ให้เราได้ปฏิบัติกันทำอย่างนี้นะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทำใบๆถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่อง เราจะเห็นกฎของธรรมชาติจะรู้จักว่าอะไรคือทุกขังจะรู้จักว่าอะไรมันคืออนิจจังจะรู้จักว่าอะไรคืออนัตตาอะไรมันคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ถับไปจะรู้ทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวเนี้ยมันก็น่าสนใจแล้วก็เอามาทํากันแกปมเข้มหลวงพ่อเขียนตนอยากรู้เรื่องบุนเรื่องบาป เหมือนกันเราเหมือนกันเราอยากรู้ว่าเออปัญหาชีวิตเราจะแก้ไปยังไงมันเคยมีปัญหาอะไรบ้างาที่การงานครอบครัวสังคมมันเคยมีปัญหาตัวเองกับตัวเองเรื่สุขภาพมันได้คําตอบหรือยังหรือยังงุนงงสงสัยอยู่สับสนในชีวิตอยู่ พอเรามารู้สึกตัวเห็นกายตามความเป็นจริงนั่งเดินยืนนอนเห็นจิตใจตามความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีความง่วงเหงาหงานอนมีความเบื่อมีความหลงเลสงสัยมีการพยาบาทมีความรักมีความชังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความอิจฉาริษยามีความไม่ตกกังบนมีความรู้สึกอึดอัดขัดใจน หรือว่าทายสุดก็คือเยอหยิงจองหองประยองทรนงมันเป็นอาการเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นไปในจิตใจและทายสุดกเกิดวิธีคิดต่างๆขึ้นมามากมายคิดแล้ก็พูดคิดแล้วก็ทำทายเกิดการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นพอเรามารู้สึกตัวนะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัว เราเริ่มเห็นอาการต่างๆที่ปรากฏตรงกับที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเอาไว้ท่านพูดเหมือนก็เป็นแผนที่บอกทางเอาไว้พอเราลงมือเดินทางเราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆเห็นกายเคลื่อนไหวอย่างนั้นอันนี้มันเป็นทุกข์สภาวะทุกข์มันเห็นอาการที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวหิวข้าวเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนเดี๋ยวไม่สบายเป็นทุกข์บางทีผมก็เห็นหน้าที่ต่างๆเกิดขึ้นมา ร้อยเกี่ยวข้องหน้าที่คือเป็นการแก้ปัญหาแก้ทุกข์ น, ะนะั่นแหละตุ้งคนหมู่มากจาต้องเกิดระเบียบภินัยขึ้นมาเกิดสถานที่เกิดหลายสิ่งหลายอย่างมันวามสะดวกนกั่นคือการแก้ปัญหาแล้วบางทีมันก็มีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาภายในตัวเราเป็นปัญหาภายในจิตใจของเราเราไม่รู้ทันความคิดเราไม่เห็นความคิดนะ เราไม่รู้สึกตัวเรารู้สึกตัวไม่เป็นพอทําเราก็ทําได้อย่างไม่ต่อเนื่องทําแล้วหยุดหยุดหยุดยุดทําำตัวนี้แหละมันก็ต้องเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรงจนท้ายสุดมันทุกข์มากๆากแล้วมันแก้ไม่ได้ตรงนั้นเราจะนึกถึงนึกถึงว่าเวลาผ่านไปเราทําอะไรอยู่เวลาผ่านไปแล้วทําไมเราเรียนรู้แล้วไม่จบสักที มันผ่านไปเวลาเราเรียนแล้วเรียนอีกทําแล้วทําอีกทําไมมยังปลากรดขึน้นมาอีกทุกกายผ่อนคายบรรเทาแก้ไขกําหนดรู้ด้วยการรู้กําหนดรู้ด้วยการละกำหนดรู้ด้วยการผ่อนคลายบรรเทากําหนดรู้เฉยเฉยรู้ไว้เฉยเฉยทำแรงไม่ได้เราได้เห็นอาการเหล่านี้เราก็รู้สึกออมันก็เป็นพัฒนาการเป็น ความก้าวหน้าของการได้อยู่วัดอยู่วาเพราะเราไม่ได้มาอยู่หาอยู่หากินเราไม่อยู่เพราะหลบภัยเราไม่อยู่เพราะหนีหนี้เราไม่ได้อยู่เพราะตกงานไม่มีอะไรทําเราไม่ได้อยู่เพราะคนที่บ้านกําลังเกียดก็ามาปล่อยวัดไม่ใช่เราอยู่เพราะว่าที่นี่มีการศึกษาและเป็นการศึกษาที่รัดสั้นแล้วก็ตรงตรงต่อจะทำความจรงิง ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวทุกครั้งที่มันมีการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวบางทีมันมีจิตที่มันเคลื่อนไหวคือทุกข์ของจิตของใจอาการที่มันเป็นธรร ม, รรมชาติแต่รู้ไม่ทันก็คือทุกข์มีความง่วงมีความคิดเกิดขึ้นมามีความเบื่อมีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาตาขระทบรูป เราคิดปรุงแต่งเป็นความพอใจไม่พอใจสุขทุกครั้งที่รู้สึกตัวเป็นมันก็ปรับสมดุลให้เรามีความเป็นกลางเกิดขึ้นมาจิตใจเกิดการปล่อยวางอารมณ์ตรงนี้เรามันคือการเดินทางมองจะเห็นอาการต่างๆเห็นอาการของกายหรือว่าเวทนามันเกิดขึ้นมาที่กายทุกเวทนาสุขทุกทิมเกิดมาที่จิตมันไปได้เห็นกายเห็นจิต จนกระมันเห็นอาการที่มันละเอียดลงไปเป็นนามธรรมที่มันลึกซึ้งท่รนมีคาวามแยกคายต่อการปฏิบัติแล้วก็สติมันเกิดขึ้นมาความเป็นปกติมันเด่นตรง น, นั้นก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้เราเห็นอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆซึ่งมันต่ํำมันต่ําต้อยมันเป็นอาการที่มันไม่สามารถที่จะทําให้เราทุกข์ได้ ก่อนหนะ้ามันเคยทำให้เราทุกข์แต่พอเรามีความรู้สึกตัวนะมันมาให้เรารู้มันไม่ได้มาให้ทุกข์เรารู้แล้วรู้อีกจนกระทั่งมันหมดพลังก็หมายถึงว่าตัวหลงมันทําให้มีพลังในแง่ของกิเลสแต่ว่าตัวรู้มันทําให้มีกําลังในแง่ของสติปัญญาเพราสติปัญญามันเจริญ จเจริญสตินะสติมันก็จเจริญเราก็รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกจิตมันก็เปลี่ยนไปแบบเนีน้เคยหนักหนักมัน็เบาขึ้นมาเคยรู้สึกว่าหิวนะเป็นตันหาเป็นเปรตอย่างเงี้ยนะมันก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็หายหิวรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนมีรสชาติของปิติธรรมมีรสชาติของปสัสสติ ปิติทางก็คืออิ่มใจมีความซาบซ่านรู้สึกมีกําลังกายมีกําลังใจมีกําลังมีความสงบระงับมีความเบากายมีความเบาใจมันก็เกิดขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมะทางธรรมชาติที่เราอยู่วัดอยู่ว่าปฏิบัติธรรมก็ต้องสัมผัสธรรมสัมผัสลดของพระธรรมมันก็เป็นทางเดียวกันนะ เป็นเส้นทางสูก่การพ้นทุกข์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความฉลาดความรู้สึกตัวนัก็พามาแบบนี้ทุกครั้งที่เรารู้กายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงก็หนดรู้ด้วยการรู้ก็หมดรู้ด้วยการละความคิดนี่ละทันทีอย่าไปยุ่งทำอะไรมันไม่ได้มีแต่ถอยหลังอย่างเดียวหันหลังให้อย่างเดียว เพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูเข้าไปเกี่ยวข้องไปผักใสมันก็หลงกลายเป็นตัณหาไปพอใจมันก็กลายเป็นหลงกลายเป็นตัณหาเพราะวขณะปฏิบัติเก็บอารมณ์เราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ตวความคิดก็คือความคิดความรู้สึกก็คือความรู้สึกที่ไกายความคิดมันมีสติมันรู้สึกที่คิดนั่นเป็นเรื่องของสติน ที่เขาจะทำหน้าที่ของเขาเองโดยตามกฎของธรรมะธรรมชาติเมือเราเกิดความคิดที่หยาบอันนี้รู้ได้ง่ายพอรู้สึกตัวหยาบยาบที่ฐานกายมันก็มีคุณภาพสามารถที่จะรู้ความคิดหยาบหยาบเป็นความทุกข์เก่าๆเป็นเรื่องของปัญหาเก่าๆเป็นจริตนิสัยหยาบยาบมันแสดงออกมาความโลภความโกรธพวกน้หยาบแต่ว่า สติทีม่มัมีน้อยๆจริงๆก็รู้ไม่ทันเพราะว่าไอ้ตัวหยาบๆมันเป็นนามธรรมการเคลื่อนไหวหยาบๆมเป็นรูปธรรมถ้ารู้ทันก็จะไปรู้จิตคิดหยาบๆเนี่ยได้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาหยาบๆเนี่ยได้ทันอันนี้นะก็ต้องฝึกคัดอยู่ในรูปแบบมากๆพอมาเริ่มกลับมารู้สึกตัวธรรมเป็นตรงนี้เราจะเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลง จะทังความคิดละเอียดอารมณ์ละเอียดก็พัฒนาถูกรู้เท่ารู้ทันขึ้นมาถึงนี้มันตื่นตาตื่นใจจะมีความสุขกับการปฏิบัติโยฐานนิ่งๆจะไม่ไปหาพูดหาคุยมันจะเรียนรู้เพราะว่ามันรู้แล้วเป็นโชคของชีวิตเราเป็นลาภของชีวิตเรามันเป็นหนทางเดินสุขความสว่างของชีวิตเราซึ่งเราจะประมาทไม่ได้นะ มันจะเร่งความเพียรตรงนี้มันจะเร่งเพราะมันเห็นประโยชน์เห็นว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมมันทำให้เราเกิดอิสรภาพภาลัมันลดลงไปทุกครั้งที่รู้สึกตัวถูกมันเห็นอารมณ์มันก็สนุ ก, กาล ม, มันก็เป็นการงานที่ทำสาเร็จอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขเกิดขึ้นมาทุกครั้งที่เรารู้เท่ารู้ทัน เกิดปิติเกิดความเบากายเบาใจมันจะรื่นเริงในการปฏิบัติรู้รู้ถูกวิชานะนจะไม่เกิดศรัทธาในการปฏิบัติขึ้นมาศรัทธาในการปฏิบัติไมยเกิดความรื่นเริงในการปฏิบัติขึ้นมายิ่งมีอารมณ์ก็ยิ่งสนุกเหมือนนักมวยนะนักมวยไปหาตีหาท้าต่อยจะรู้สึกอืมมันมันตื่นตื่นกายตื่นใจ มันรู้สึกว่าคึกนเขิมอาหานขึ้นมารู้สึกว่ามีอำนาจมันทุกวันจะต้องออกไปหาเรื่องคนรู้สึกดีถ้าผ่านได้ชนะได้แล้วแม้กระทั่งขาวิ่งไลแล้วเราหนีได้อะรู้สึกสนุกดีที่เปิอย่างนี้เ็เคยเป็นอย่างนั้นมาจริงๆที่ทำอย่างนั้นเพราะามีอาการเก็บกดเก็บกดมากตอนอายุน้อย พยายามออกกำลังกายพยายามที่จะสร้างร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ตีได้ต่อยได้วิ่งหนีคนเนี้ยนะเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นคนต่างจังหวัดย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะจังหวัดระยองที่ไหนไงมีเจ้าถิ่นเยอะเสร็จแล้วก็กจะเกทับกันนะคนเราในเวลาอยู่ด้วยกันทนำะไมไปทําชอบเกยทับกัน กูเก่งกูอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็ลองลองเชิงกันถ้าเป็นธรรมะก็เรียกว่าลองภูมิกันนะลองเลองเชิงกันมีการท้าทายด้วยคําพูดบ้างมีการกระทํากันลงไปบ้างเพราะฉะนั้นเวลาอยู่เราก็ต้องป้องกันตัวเองถ้าใครถูกเขาเอาลัดเอาเปรียบน้อยใจหลายคนฆ่าตัวตายเลยนะคําพูดของคนกั น, นกันแกล้แหนะนินทานะหลายคนครับโอ้ครับใจอยู่ไม่ได้ฆ่าตัวตายเลย มีกันเยอะมากะ เ, เห็นคนอยู่คนหนึงก้าวปืนลูกซองว่แล้วก็ก็ถูกแม่ด่าแล้วก็ก็เลยเขียนจดหมายเอาไว้แล้วก็เอาวงเอาเอ า, เอาปากกามาวงไว้ที่หวัวใจเสร็จแล้วก็เอาปืนจี้ลงไปปืนลูกซองอัะนะมันยาวก็ก็นอนลงไปแล้วก็เท้าเนี่ยเนวไกลแล้วก็ตายคาที่ เราเห็นรถส่วนเฮโลนะเขาเป็นเฮโลมากเนี่ยมีข่าแบบนี่มตื่นตาตื่นใจตื่นหูดีคนครับออกขับใจเป็นอย่างนั้นหรือบางคนก็ครับ อ, อกขับใจก็เรียกร้องแสดงออกแบบวุ่วายเลยส่วนตัวก็มีอย่างหนึ่งก็คือขอให้ได้ออกกําลังไว้ก่อนถ้าได้ออกกําลังพลังตัวกรดจะหายไปนะตั้งแต่เด็กๆแล้วไปทานอะไรก็ได้ที่มันหนักๆ ออกห่างไปก่อนนแล้วก็ทํางานหนักๆเดี๋ยวหายก่อนแล้วกันมาคุยกันตรงเนี้ยมันก็แสดงออกแบบนั้นมาตลอดมีอาการที่มันขับอกขับใจกเกิดขึ้นเวลาเกิดอาการโล่งปร่งแต่และขณะแต่และครั้งแต่และเรื่องแต่และราวก็ต้องหลบไปก่อนนี้ไปก่อนหรือบางทีเผชิญหน้าก็ต้องมีกําลังพอสมควรคก็จะได้เห็นว่าอ๋อตัวไกลยของเราเนี่ยถ้าหากว่าถูกกําลังนะ อำนาจของกิเลสมันผลักใส่มันก็แสดงออกเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นนะหรือบางทีมันก็ไปยานที่คิดทำลายพลังนะโดยการทำดีนะโดยการนะทำงานทำการให้มันเหนื่อยแล้วก็นอนซะอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะแต่มาที่วัดป่าสูตตเราใช้กรรมฐานนะละลายพฤติกรรมนะภายในจิตของเราโนกรรม หรือว่ากายกรรมของเราที่มันติดอะไรมาเคยติดกาแฟเนี้ยมารู้สึกตัวเคยติดอาหารการกินมารู้สึกตัวจิตใจของเราเคยโมโหโต้โซลูกหลานทําไมเอาเรามาทิ้งวัดมาปล่อยวัดอย่างนี้ยทําไมไม่ดูแลกันเราก็มาละลายพฤติกรรมในการรู้สึกตัวเกินไปเดินจงกลมนั่งสร้างจังหวะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเราก็จะมีที่พึ่งภัยในใจของใครของเรากัน ไม่เป็นพาละหนักอึ้งทุกครั้งที่รู้สึกตัวเบากายเบาใจเรารู้ไม่มีพาละไม่ต้องแบกอารมณ์มาไว้ไม่ต้องแบกความคิดอดีตเราก็จึงมาอยู่วัดป่าสุกโตแบบเป็นพี่เป็นน้องที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้าไม่ได้ญาติพี่น้องที่มารู้จักกันแล้วเราก็เป็นกัลยาณมิตรของกันและกันก็คือพยญญามที่จะชี้นําไปสู่ความไม่เสื่อมชี้กันนํากันไปสู่ความไม่เสื่อม หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาเกิดจากคนดีคนดีเหมือนกับสองวันที่หลวงพ่อพูดว่าคนดีป่าดีต้นไม้ดีน้ำดีอากาศดีธรรมะดีมัอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราคนดีอยู่ที่เราเราก็ลงมือทําตัวเราให้ดีกายของเราให้ดีวาจางของเราให้ดีจิตใจของเราให้ดี ทำดีเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นสิ่งแวดล้อมกับตัวเองแล้วกัผู้อื่นเราพูดดีมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเราเองพูดดีดียังไงที่พูดเนี่ยก็คือใช้เป็นพระเดชก็ได้ใช้เป็นพระคุณก็ได้แต่ว่าผู้รู้ใครควรแล้วติดเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ตัวนี้สำคัญผู้รู้ก็คือตัวสติตัวปัญญานะั่นแหะ ใครควรแล้วก็คือประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมามีประสบการณ์มีเมตตามีคุณธรรมก็ใครควรแล้วเข้าติเตียนเราโดยศียนได้หรือไม่โดยความเป็นปกติก็ไม่ได้ติด้วยอารมณ์อย่านะั้ก็พูดเป็นปกติธรรมดาธรรมดาไปนั่นแหละบางทีก็แสดงเป็นอาการกิริยาต่างๆแต่เมื่อดูสาราแล้วก็มันเป็นเรื่องของการตักเตือนเพื่อเรามม่สู่มรรคผลนิพพาน เรียกว่าปาวารนาก็ว่าได้เมื่อปารนากันไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะตักเตือนกันได้ก็จึงต้องมีแล้วนะของสิทธิอาจารย์ <c oughs> หรือว่าการยานมิตรกับาลยานมิตรการยานมิตรกับการยานมิตรก็กมกหมายถึงว่าคนนี้ถูกถ้าถูกทํากับเราดูแล้วไปสู่ความไม่เสื่อมแล้วก็ครบครบหาสมาคมแล้วก็ชวนกันปฏิบัติธรรม เมื่อเราทําก็อย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าความจเจริญก็จะปรากฏไยในจิตใจของเราจเจริญในธรรมอ่ะนะทำมาจเจริญเจริญในธรรมตรงนี้เราก็จะมีความทุกข์ลดลงมีความเข้าใจในเรื่องของสติปัฏฐาน4ี่สติไปในกายเป็นยังไงสติไปในเวทนาเป็นยังไงสติไปในจิตเป็นยังไงสติไปในธรรมเป็นยังไงเพราะาเราเฝ้าดูเห็นมันอยู่เราปฏิบัติธรรมเรารู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวอีก ไม่ได้เฝ้าดูก็เหมือนกับเฝ้าดูเนฝะ้าดูก็เหมือนกับไม่ได้เฝ้าดูเนหะมือนกับว่ามันเรียนรู้อยู่นะเป็นการเดินทางนะเป็นอรอยิยมรรคมีองแปดอย่างเงี้ยเช่นสัมมาทิฏฐิกนะ็คือการกลับมาเห็นนะความรู้สึกตัวนี่เองเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกขนะ์เห็นการก้าวล่วงออกจากความทุกข์เห็นรูปแบบวิธีการนะปฏิบัตนะิที่มันพาเราไปสู่ความดับทุกข์อย่างเงี้ยทาให้จิตของเราเกิด ความตั้งมั่นขึ้นมามันก็จะได้เดินทางไปมีความดำริชอบอย่างนี้มันเป็นยังไงดำริชอบเราก็จะไปดำริคิดเรื่องอารมณ์อย่างนี้เป็นต้นไม่ดำริคิดเรื่องอาหารหูวอาหารตาอาหารจมูกอาหารที่เกิดจากการสัมผัสดำริในเรื่องของการกินเกลียดอย่างนี้ อันนี้เราจะไม่ดำรีเราจะดำรีรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวดำรีที่จะปฏิบัติให้มันต่อเนื่องให้มันเชื่อมโยงให้มันเกิดผลดำรีแบบ น, นี้มีการพูดจาชอบเป็นยังไงเราก็พูดจาชอบก็คืออะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรพูดแล้วเป็นประเดช พูดไปแล้วเป็นพระคุณเยพูดไปเป็นพระคุณบางทีเนี่ยเอามาก็ดูออกนะว่าพูดตอแหลเป็นยังไงคนพูดตอแหลมันดูออกหรือพูดอะไรนี่ก็พูดจริงใจก็ด่าแล้วก็จริงใจด่าแล้วลักเลยดูออกในสาล้างคําพูดแล้วมาย้อนกลับมาดูตัวเราเรารู้นอ๋ออันนี้คือพระเดชอันนี้พูดไม่เพราะเลยคนประเภทนี้ พูดไปเพราาแต่ก็พูดแล้วจริงใจแล้วก็ตรงต่อความเป็นจริงแล้วก็อาจหาญไม่กลัวได้เห็นหลวงพ่อเขียนนี่ท่านกะ็พูดจาดุนะพูดดุพูดจาแต่ว่าพูดดุโดยจิตทีปกติเพราะฉะนั้นเวลาดุโดยจิตปกติมันจะมีสำนวนออกมาแล้วก็คำพูดจะดูนุ่มนวลแต่ว่าดุในคําพูดเนี่ยนะ ฟังให้ดีนะดูนะต่อมาก็คือการงานชอบการงานชอบก็หมายถึงกรรมฐานงานนี้ชิ้นนี้เรียกว่ากรรมฐานฝึกจิตให้รู้สึกตัวฝึกจิตให้รู้สึกตัวเป็นงานกรรมฐานที่ชีวิตของเราต้องเข้าถึงการงานชิตนี้กันไม่ใช่ลักษณะของการงานที่ผ่านมาแบบโลกๆนะ เขามีการพูดถึงว่าการทํางานนะที่เป็นการทํางานแล้วก็พาไปสู่ความเสื่อมในขณะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันมีอยู่เช่นผลควาให้การงานใหม่ๆมากมายละเกินมันเป็นความเสื่อมเช่นงานก่อสร้างเป็นต้นเนี่ยเป็นความเสื่อมนะการพูดการคุยนี่เป็นความเสื่อมหรือว่าการที่เราเป็นคนขี่เขียยที่ค้านนะ นอนอยู่เป็นประจำเหมือนนีอันนี้เป็นความเสื่อมการที่ไม่ประมาณในการบริโภคต่างๆวนนี้เป็นความเสื่อมเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็อืมพยายามให้คนที่เขามีหน้าที่หรือว่าขออภัยนะอย่างผมและธรรมาช่วงเนี้ยทํางานก่อสร้างอยู่เนี้ยก็เห็นว่าอืมงานจินเนี้ยมันเป็นงานที่เราเคยเรียนรู้มา เราเคยทำอาชีพแบบนี้มาแล้วก็การมาอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะี่ยตอนนี้คนมันเยอะขึ้นแล้วก็ครัวเนี่ยมันเกิดจากสมัยก่อนมีแม่ชีมาอยู่กันแล้วก็ตําน้ําพริกหุงข้าวกินกันเองนะนะส่วนปลาก็บินทบาดอาหารตามมีตามได้แล้วก็มาผสมกันหล่องพระบินทบาดกับครัว เต่แล้วคนเยอะขึ้นแล่ ว, ว่ามีกลุ่มปฏิบัติก็มีการทําครัวเลี้ยงกันหรือว่าบางทีก็อาหารของชาวบ้านให้ชาวบ้านมาทำอาหารเลี้ยงต่อมาก็คือชาวบ้านที่มาทำอาหารเลี้ยงน่หายไปก็มีการจัดจ้างจัดซื้อจัดหากันมาตอนหลังคนเยอะขึ้นครัวก็โตขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้ น, ยยนแล้วก็ยังไม่พอ แล้วก็ท้ายสุดนตอนนี้ก็มีหลายกลุ่มมาใช้กันกลุ่มคนมาบวชบ้างมาทําครัวแล้วก็กลุ่มอของคนที่มาปลูกป่าบ้างนคนที่มากิจกรรมอื่นๆนบ้างแล้วก็สาเนินภาคฤดูร้อนบ้างมาชนกันหรือบางทีก็อื่นๆอีกมากมายแล้วกั น, นทำบนทําทานนะ นักเลิกต่างๆทีนี้พอคนมากันเยอะๆเวลารวมตัวกันรับประทานอาหารบางทีล้นศาลาไปทานกันข้างนอกบ้างอะไรบ้างเียตอนหลังมีการเอาข้ามานั่งทานกันตรงนี้บ้างเข้าหอบ้างตอนหลังก็เลยจุดหนึ่งคนมาปฏิบัติเยอะอย่างเช่นร้0ยห้าิคนร้อยหกสิคนอย่างเงี้ย เวลาลอเข้าแถวตักกันฝ่าจะได้ชันทั้งหมดก็โอโหนานมากเป็นเป็นค่อนชั่วโมงงี้นะแล้วก็อีกอันก็คือที่นี่เราพูดกันว่าหน้าเวทธรรมเนี่ยปฏิบัติทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบอันนี้พูดกันมากเหลือเกินนอกรูปแบบมหมายถึงของหาอาหา ร, ห, ารหรือว่าทำงานอื่นๆที่เป็นกิจวัตรประจำวัน เพราะนั้นจึงดำริให้นักกรรมฐานที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตมีโอกาสที่จะฝึกหัดปฏิบัติธรรมด้วยการเข้าครัวจริงๆเวียนกันคนนั้นคนนี้คนนู้นเวียนกันทํำไม่มีการผูกขาดให้ทุกคนได้ฝึกสติการรับประทานอาหารการทําอาหารการล้างถ้วยล้างถาดการหั่นผักการต้มการหุ่นการหุงการ ทำครัวการล้างห้องน้ำเจ็ดกวาดปัดถูนอกรูปแบบนิ่งๆเย็นๆด้วยสติจริงๆให้ทำอย่างนี้แล้วก็เป็นครัวเฉพาะกิจเฉพาะการเพื่อให้คนที่ทำอาหารเป็นมืออาชีพเนี่ยนะได้มีออกาศมาทำเลี้ยงคนหมู่มากบ้างคนในครัวก็หมดภาระไปเลยไม่ต้องผูกขาดแล้วทำเป็นประจำ จกระทั่งเหมือนกับว่าติดครัวให้เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะใครทําก็ได้พร้อมอยู่พร้อมไปอันนี้ก็จึงนำรีขึ้นมาให้เป็นการงานของที่นี่แล้วก็รับผิดชอบให้ถ้าผิดก็จะรับผิดชอบว่าเราผิดถ้าสังคมรังเกียจไม่อยู่ก็จะไม่อยู่แค่นั้นแหละถ้าได้เห็นดีว่ามันคือตัวปฏิบัติทมก็ไปร่วมกันใช้ห้องครัวนะ โดยเ ฉ, ดเฉพาะกิจพะการนะักเรียร์ทำเข้ามาที่นี้ไปรวมกันแสดงออกว่าเรามีสติอาการทําครัวมีสติอาการล้างห้องน้ําห้องน้ำนักคนไม่พอจริงๆจะทำยี่สิบห้องนะ่แต่ทางวัดก็เห็นว่ามันมากเกินไปยี่สิบห้องนะให้ทําแค่สิบห้องพอก็รับฟังแล้วก็ทําแค่สิบห้องพอหนึ่งคน ห้านาทีสองคนสิบนาทีสี่คนสี่สิบนาทีถ้ายืนคอยกันสี่คนก็หมายถึงว่ายี่สิบนาทีเนะี่ยมันก็หมดไปละเวลานะยืนคอยกันแล้วทีสําคัญที่สุดมันไม่ใช่เสียเวลามันเป็นความทรมานอย่างมากคนท้องเสียอย่างเงี้ยมันจะไปไหนกันคนลุกขนพองเป็นทุกข์แล้วคนมาปฏิบัติเนี่ยให ม, ใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้มีศรัทธาเขาบังคับกันมาอย่างเงี้ย เรื่องทีก็ผัวเมียต่อรองกันให้ไปปฏิบัติธรรมถ้าไม่ไปก็จะเลิกกันอย่าเงี่ยมันก็มีมาแล้วคนทํางานเหมือนกันทําไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุโโตจะไล่ออกมันก็มีมาแล้วเพราะกคนพวกนี้อินทรีย์ก็อ่อนมากเมื่อเขายืนคอยนานๆเขาทุกมากเขาจะเข็ดพอก็เข็ดพับกระทั่เราอยู่วัดอยู่ว่าสร้างศรัทธากับญาติโยมไม่ได้เลยแล้วบวชเป็นพระรู้ธรรมะ แล้วไปรู้ว่าวิธีแก้ปัญหาเหราเนี่ยมันทํายังไงมันก็จะอยู่ไปทําไมมันก็สอนทําไม่ได้แล้วถ้าทําอะไรไม่ได้มันก็โอ้ไม่ประโยชน์จะอยู่ไปวันๆนก็โอ้จะอยู่ไปทําไมเมันก็ต้องทําดีให้กับโลกอันนี้กระดมหลีมาพงประกอบแบบนี้ <c oughs> แล้วก็เคยปรึกษาหลวงพ่อเขียนหนึ่งครัง้งสองครัง้งสามครั้งอย่างล่าสุดเมื่อสองวันก่อน หลวงพ่อเขียนก็บอกว่าหลวงพ่อก็แอบสรรเสริญอยู่กับวิธีการทําเนี่ยแอบสรรเสริญอยู่ก็ไม่เกี่ยวกับใครสรรเสริญไม่สรรเสริญกเกี่ยวกับว่ามันเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากอย่าโยมเห็นด้วยไหมกับเรื่องตรงนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราปฏิบัติเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีความคิดแบบนี้นะถ้ามีความคิดแบบนี้คือตะกูล กับาติพี่น้องกับลูกกับหลานอย่างนี้จะทําอย่างนั้นจะสร้างฐานะสร้างสกุลสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ตอนนี้สร้างวัดสร้างวาซึ่งชาวบ้านเป็นเจ้าของแล้วชาวบ้านก็นมาลงกันใช้คนหมู่มากก็มาวงกันใช้ไม่ได้หึงหวงไว้แต่เพียงผู้เดียวอย่างกุฏิศาลาก็เหมือนกันมีโอกาสได้ใช้ทุกคนแต่ตอนนี้กําลังจัดให้เข้าระบบซะก่อนตอนนี้ยังไม่เข้าระบบอะไรเลยในกุฏิศาลา แล้วส่วนใหญ่ไปใช้ก็พังใช้ก็พังกําลังซ่อมกันอยู่ใช้ก๊อกแบบไม่มีสติก็บิดกันทีเดียวก็หักเลยนะบางทีล้างห้องน้ำํำนะบางคนเอาข้าไปกินในห้องน้ํำนะแล้วก็เทข้าไปในอ่างล้างหน้าอย่เงี้ยไปอุดตันเหม็นเน่า่าเงี้ยก็คือคนไม่มีคุณภาพมันเข้ามากันเรากำลัลงจะทําให้มีคุณภาพให้เขารู้จักปรับเนื้อปรับตัวแล้วก็ใช้สิ่งของต่างๆให้เกิดความสะดวกแล้วเพื่อที่จะออกไปอยู่กับโลกได้ใหม่กลับบ้าน แล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างไม่ไม่ต้องทุกข์เงี้ยเพ่อเคยมาฝึกมาหัดที่วัดป่าสูขโตแล้วเงี้ยเป็นต้นนะอันเนี้มันก็เป็นที่เป็นทางนะของวัดวาอาามต่างๆที่จะทําให้คนเนะี่ยเรียนรู้เรื่องการฝึกสติแบบตรงไปตรงมาแบบชัดๆนะแล้วปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์แจ็คเกิดขึ้นมามีอาจารย์สมใจเกิดขึ้นมานอกเหนือจากอาจารย์วิจัยอาจารย์ตุงจันทรย์โนดนะหลายคนที่เกิดขึ้นมาในรอบนีสิบปี ในรอบของทศวรรษที่วัดป่าสุขตวัวนะครูบาอาจารย์เยอะเมื่อครูบาอาจารย์เยอะนะสิาาะนะ่งแวดล้อมดีคนเข้ามาเยอะเราก็สะดวกเราก็พากันทําละจึงมีการเกลาลงเข้มขึ้นมาอย่างเงี้ย น, นะเพราะนั้นเราไม่ได้มานั่งจีบกันนะเราเรากไ็ได้มาเอาลูกเอาหลานมาวิ่งเล่นกันเหมือนส่วนสนุกไม่ใช่แบบนั้นใครมาที่นี่ก็ตามให้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะที่นี่ก็ฝึกความรู้สึกตัวกัน ปะเทำแนวเคลื่อนไหวให้กันนะเพื่อเกิดล้านนาของสัน่ิษฐานภาพในใจเราจริงๆจนทัต่อไปนี้จะไปไหนก็ไปตามเหตุตามปัจจัยนะเห็นว่าอยู่ที่นี่ได้ประโยชน์ก็อยู่นะแต่เห็นว่าออกไปได้ประโยชน์เราก็ไปนะไปเพื่ออะไรนะก็ไปเพื่อที่จะสอนนะให้คนก็ไม่ทุกข่ะเหมือนกับยกตัวอย่างอาจารย์นะมิซโซคนะเวสโก ท่านตอนนี้ศึกไป30ประกว่าพรรษาบวชมาเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วคนไทยก็เหเข่อของนอกมากนะก็มีความศรัทธาเรื่มใสหนังสือเล่มเล็กๆน่ารักอ่านแล้วสบายอกสบายใจมีตลอยยิ้ม น, น, นะนแต่สุดท่านก็มีเหตุผลในการศึกว่าท่านเป็นเบาหวานอันนี้ไม่สำคัญเท่าไหรนะ่เรื่องสุขภาพแต่เหตุผลที่สำคัญก็คือท่านอยากไปสอนคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นนทุกเลเกินแล้วท่านก็สุดไปเพื่อที่จะสอนคนญี่ปุ่นมีการเปิดคอร์สแต่ว่สอนในรูปแบบของญาติโยมเราก็เออถ้าเป็นอย่างนี้กอนมทนาหรืออีกหลายคนหลายท่านอย่างที่อาจารย์สมใจเคยพูดให้ฟังมีพระรูปหนึ่งทางมหายานซึ่งเก่งมากจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้อะไรป่าๆไม่รู้ทีนี้ สอนมาท้าสุดอยากสอนฮิปปี้นีก็เลยโยนเครื่องแบบทิ้งไปเลยแล้วก็ไปสอนฮิปปี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนตรงไหนได้ท่านจะไปสอนคนหมู่มากแบบนั้นถ้าอยู่ตรงไหนสอนไม่ได้ท่านเห็นว่าเป็นคนหยาบคนเถือนเป็นคนมิจฉาทิฏฐิท่านก็แผ่นทันทีนเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราอยู่ที่นี่เราฟังหลวงพ่ อ, อเขียนท่านพูดนะหลวงพ่อล้มเหลวในการสอนธรรมะสอนให้คนไม่โกรธก็โกรธกันสอนให้คนไม่กินเหล้ า, าก็กินเหล้ากัน สอนให้คนไม่ทะเลาะวิวาสก็ทะเลาะวิวาทกันสอนให้คนไม่ทุกข์ก็ยังทุกข์กันสอนให้คนไม่ตัดต้นไม้ก็ยังตัดต้นไม้กันสอนให้คนนะนะไม่ทําลายน้ํารักน้กําก็ยังเอาอยาฆ่าแมลงเอารถลงไปล้างในน้ําสอนให้คนไม่สูบบุหรี่ยังสูบบุหรี่สอนให้คนไม่กินเหล้ายัางกินเหล้าจีบหลวงพ่อล้มเหลวไปหลวงพ่อลดต้นไม้ดีกว่ายังตอบสนองว่าปลูกต้นไม้ดีกว่ายังพึ่งได้ อย่างนี้หลวงพ่อก็หันไปทำที่หลวงพว่อคิดว่าทําแล้วจะเกิดประโยชน์เย่างี้แต่ธรรมะหนวงพวขอไม่ส่วนร่วมอยู่ด้วยะผู้ดใด้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเอยังทําให้ให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่เราก็ได้เห็นท่านจะมีชีวิตอยู่จริงๆเยภารกาจนี้เราก็ใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์โดยการฝึกหัดจรรยาตรีฐานกันอีกกว่ารูปแบบเคลื่อนไหวทุกสี่จังหวะเนยั่งเดินยือนนอนะ เดินยังกลมหรือวันนอนให้มีความรู้สึกตัวหลวงพ่อท่านพูดไว้ว่านอนก็นรู้สึกตัวได้นะคนที่นอนรู้สึกตัวได้ก็หมายถึงว่าเดินรู้สึกตัวแล้วนั่งยกมือสั่งว่ารู้สึกตัวแล้วอย่างคนสูงอายุร่างกายมันก็ล้าลแล้วก็นอนก็เด็กเท้ามีการเก็บอารมณ์อยู่ปีหนึ่งผมเลือดมาเนีก็ปฏิบัติอย่างหนักเลยในยุคแรกๆประมาณสิบปีที่ผ่านมานะ ผมเดินอย่างนักก็เครียดพอสมควรนะนะพราะเราทำเราคุมจิตมันมากจิตมันไม่ได้ผ่อนคลายเมื่อเครียดเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไอตรงต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ปูนนะนะตรงนั้นนทำเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเอาไวะ้เดินจงกมอยู่ตรงนั้นหลวงพ่ออยู่ตรงทางห้องน้ำสมัยก่อนไม่มีห้องน้ำกดดินนะไม่มี แล้วท่านก็นอนอยู่เงาของใต้ต้นสมอพิเภกมันพาดไปท่านก็นอนล้วเาเท้าก้อาายอาหันฝ่าเทา้าาทางอัตมาแล้วก็กระดิกแบบสบายใจอะนะเราดูแล้วเราผ่อนคลายแลยโอ๊ยนอนกระดิกเทา้าสบายใจนาะอย่างเงี้ยมันสบายใจแล้วท่านนอนกระดิกเทา้าอ่ะเราคลายจากอารมณ์เลยนะเดินเพ่งๆ จ, จ, จ้องๆจีๆมันคลายสบายออกมาเลยเราเห็นอาการของจิตที่ว่าไหวเลย ท่านสอนว น, อ น, นอนก็ปฏิบัติทําได้แล้วเมื่อสองวันก่อ น, นท่านนํามาพูดนด้วยอาจารย์ไปสารท่านพูดว่าอย่างนี้ยท่านพูดว่าเนี่ยเราเดินทั้งวันอาจจะเป็นสมถะนะยกมือสิบสี่ยังหวาอาจจะเป็นสมถะนอนอาจจะเป็นวิปัสสนาก็ได้นะคนนอนเป็นวิปัสสนาคือมันเห็นอาการของกายอาการของจิตตามความเป็นจริงนะะเห็นความคิดรู้ถึนความคิดรู้นอนก็เห็นได้ เคยสังเกตไหมเวลานอนแล้วก็วิววิวแล้วก็ตกพรวดนะนอันนี้คือจิตคิดขอหอยุดเตีบเพียงแค่นี้ก่อนนะพูดประมาณ4ี่ถึงห้านาทีแล้วมันยาวเกินไปพูดดีขนาดไหนมันก็ไม่ดีหรอกนะถ้ามันยาวเกินไปเดี๋ยวพระจะได้ไปบินตบาทกันบางรูปหรือว่าที่เกวรมอง ไ, ได้ทำภารกิจต่อไปอันนี้เห็นว่าสมควรเกวลาองกลับพระพร้อมกัน